ใช้บุญให้เป็นบุญนี้มาทําไปแล้วก็ต้องได้กลับมาพวกเด็กๆบางทีไม่เข้าใจเวลาที่เราสร้างบุญด้วยทรับกับวัตถุมันกลับมาเป็นสิ่งนั้นหนึ่งสองมันกลับมาเป็นคำว่าบุญซึ่งบุญนี้จะมีพลังมากและมีประโยชน์กับเจ้าของถ้าเจ้าของใช้ให้เป็นเรื่องนี้แหละที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าคนไม่เข้าใจคือซั์กับวัตถุมันได้กลับมาอยู่แล้วเป็นธรรมดา แต่พอเป็นคำว่าบุญเขาต้องอธิษฐานให้เป็นและเอามาใช้เฉพาะในภาวะที่จำเป็นจริงๆอย่าเที่ยวใช้สเปะสปะอย่างเวลาเรามาทำบุญร่วมกันเยอะๆหลายๆคนก็จะเกิดกองบุญใหญ่ที่ได้มากองหนึ่งเป็นแสนแสนใช่ไหมแล้วกองบุญใหญ่กองนี้แหละเวลาเข้าตาจนเมื่อไรให้อธิษฐานขอบุญจากกองบุญนี้เข้าช่วยถึงแม้คนนั้นเขาได้ทาบุญร่วมเพียงหหรือหนึ่งบาท ตามสถานะของเขาแต่เมื่อเขาตั้งใจทำมันก็เป็นพลทหารอยู่ในกองทัพบุญใหญ่นี้ก็ต้องอุ้มไปด้วยกันแต่อย่าใช้บ่อยให้ใช้เฉพาะเวลาเข้าตาจนมีผู้ร่วมบุญคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาสงสัยในใจว่าร่วมบุญกันอย่างเนี้ยมันจะเอาไปแบ่งกันได้อย่างไรแล้ววันหนึ่งเขาก็ฝันเห็นกองบุญบางกองสูงเป็นภูเขา บางกองสูงสูงเตี้ยเตี้ยแต่ทุกกองมีผ้าคลุมหมดเลยมองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ข้างในเขาจะไปเปิดดูผู้คุมก็ไล่เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะเอามาใช้เดี๋ยวเนี้ยเขาเข้าใจแล้วการแบ่งทรัพย์บนโลกนี้ยังมีฉันทาคติคือความพึงใจเป็นเกณฑ์แต่การแบ่งบุญในทางธรรมนี้เท่าไรก็เท่านั้นตรงเป๊ะเลยแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกสายบุญว่าขอให้ชวนกันนะ คนกว่าถนนคนเป็นพานโรงแค่วันละหนึ่งบาทเดือนละสามสิบบาทมันจะเป็นความเย็นนะพอเข้าสู่ใจแล้วใจก็จะไม่ร้อนมากมันจะไม่โมโ oh. หที่เคยด่าลูกทะเลาะ ก, กับผัวกับเมียทั้งวันมันต้องมีเวลาหยุดบ้างเพราะมีบุญที่ค่อยๆสะสมไว้อยากชัญชวนทุกคนว่าเก็บเงินมากันไม่ต้องอายหนึ่งบาทก็เอาเอามาอยู่ด้วยกันในกองบุญมันจาเป็นแล้วก็ทาตามฐานะของตน เดือนละแค่นี้แค่นั้นสำหรับบางคนเดือนละ30สิบบาทมันก็มากแล้วแต่ขอให้เขาทำเถอะเอามาอยู่ด้วยกันจะได้ไปด้วยกันคนละหลายคนไม่รู้จักวิธีการเอาบุญมาใช้และไม่รู้จักการทำบุญ